เป็นปัญหาที่พระเจ้ามิลินถามปัญหาชุดนี้มีจวัก 3. นอกวัคมีเพียงปัญหาเดียวคือโคตมีปัญหา 4. เมนท ก, กะปัญหาคือการถามปัญหาที่เป็นสองแง่ปัญหาชุดนี้มี9วักค้ 5. อุปมาปัญหาว่าด้วยอุปมาต่างๆ